อธิษฐานกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสุปนามปุุมุตระแล้วก็เวลาตอนอะธิษฐานนั้นท่านปรุงอาหารจากข้าวในานาตั้งแต่เริ่มเป็นน้ำนมมาตามลำดับแล้วก็ถวายแก่พระสงค์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเพราะทะ่านก็ทำบุญก่อนคนอื่นนะฮะ ในขณะที่คนอื่นยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรท่านก็เอาข้าวเหล่านั้นมาปรุงเป็นอาหารได้แล้วเราทำให้ท่านสะสมบุญเหล่านี้ต่อเนื่องกันมาจนในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลระดับพระโสดาบันในตอนแรกกันนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ออกบวตก็เป็นปฐมมสาวกของพระพุทธเจ้า ผลผลทั้งหลายมันมาจากเหตุของมันมันไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุแม้แต่การเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นวิบากคือเป็นผลของการบําเพ็ญบารมีมาตลอดกลับกันเป็นนั้นมากหรือว่าการที่เจนยกตัวอย่างว่าพระบางรูปเนี่ยเช่นพระจุลปันธุกท่าน ไม่สามารถจะท่องหนังสือให้จำได้สีบรรทัดเนี่ยท่านท่องสีเดือนเนี่ยจำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเหมือนกันอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าวิบากกรรมของท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาจากชาติหนึ่งท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดมากดีไว้พริบ ป, ปฏิพานความจำอะไรได้ดีแต่ก็หัวเรายอะเพื่อนซึ่ง เรียนหนังสือไม่เก่งอย่างท่านไอ้โทษจากการวรอรยยอกคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านมีปัญญาทึบแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เชื่อครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามหลักคาสอนของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระพุทธเจ้าเนี่ยในภพชาติอื่นก็เคยปฏิบัติโดยความเคารพนับถือพอเมื่อพระพุทธเจ้ามาสอนท่านก็สามารถทาได้ แต่บรรลุมรรคผลไปได้ในเวลาจากเช้ายังไม่ถึงเพนเลยนะทั้งๆ ท, ที่ท่องหนังสือสีบรรทัดสีเดือนไม่ไม่ได้แต่ว่าบทจะบรรลุขึ้นมาก็บรรลุได้ในเวลารวดเดีวนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นหนึ่งวิบากผลต่างๆหรือว่าที่ส่งแสดงหรือว่าเราดูง่ายๆนะว่าวิบากเนี่ยเช่นว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยทาไมจึงทําไม่ได้ดีเนี่ยมันก็รู้ว่ามันเพราะอะไร เราว่าข้อนี้ทําไมจึงทําได้ดีทําไมคนนั้นได้รับการยกย่องทําไมคนนั้นได้รับการตํดำดิเราสามารถเชื่อมโยงเหตุมาสู่ผลตนั้นได้ข้อต่อไปสัพพทกาไม่มีปฏิปทายานประปรีชายานอย่างรู้ถึงการปฏิบัติที่ทําให้คนไปสู่ในสถานที่ต่างๆตามผลกรรมที่เขาได้กระทําเอาไว้จึงทรงแสดงว่า คนที่ทําบาปรกรรมเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนก็ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองประมองเห็นว่าตนได้ทําบาปเอาไว้แตในขณะเดียวกันถ้าหากเขาทําดีก็ทรงแสดงว่าบุคคลนี้ทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองประมองเห็นว่าตนได้ทําบุญเอาไว้ แต่ละข้อเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสืบสาวถึงเหตุที่ก่อให้เกิดผลเหตุมันอยู่ในอดีตวันที่เหตุเป็นอดีตชาติไกลๆนะฮะวันทีก็เหตุอยู่ในปัจชาตปัจจุบันนี่แหละบาทีก็เหตุในขณะนั้นๆเช่รับประทานอาหารในขณะนั้นก็อิ่มในขณะนั้น ระยะรับประทานกับระยะอิ่มนั้นก็ไม่ห่างอะไรกันเท่าไหร่นั้นก็สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ทําให้บังเกิดในภพในภูปปมิท้องปวงนี่ว่าทําไมคนนั้นบังเกิดในสวรรค์ทําไมคนนั้นเกิดในนรกทําไมคนนั้นเป็นเปรททาไมเป็นสัตว์ติลิชานทําไมเกิดเป็นพรหมทําไมเกิดเป็นรูปประพรหมเนี่ยทรงอธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วก็เชื่อมโยงเหตุ ที่ก่อให้เกิดผลอย่างนั้นโดยเฉพาะยิ่งคือหลักการปฏิบัติตนของบุคคลเหล่านั้นอย่างยกตัวอย่างเหตุใกล้ในปัจจุบันใกล้ๆมีครอบครัวเขานาช่างแก้วแล้วก็นายช่างแก้วก็มีปัญญาเขาเลี้ยงนกกะเรียนไว้ตัวหนึ่งแล้วก็นิมนต์พระไปรับอาหารประจําที่บ้านองค์หนึ่งชื่อพระติดสั ปฏิสาท่านก็วันหนึ่งไปต้องรอเพราะว่าก็ยังทำอาหารไม่เสร็จก็กำลังหั่นเนื้ออยู่เพื่อทำเป็นอาหารนักถวายพระโดวยวันนี้มาเล็กได้นำเมาแก้วมณีมาให้ในายช่างแก้วในเจรไนนายช่างแก้วรับแล้วก็วางเอาไว้ แล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อจะล้างมือแต่ ว, ว่าในขณะนั้ น, นเนยนกกเรียนมันไปเห็นแก้วมนันีสีแดงนึกว่าเป็นชิ้นเนื้อก็เหมือกเข้าไปไลยกลืนเข้าไปในท้องพระเทรศก็เห็นอยู่ในช่างแก้วออกมาสอบถามพระเทระพระเทระก็บอกว่าท่านไม่ได้เอาไป แต่ท่านไม่ได้บอกว่านกกรเรียนกลืนเอากลืนก็ไปนะฮะเพราะว่าถ้าบอกอย่างนั้นนายช่างแก้วก็ฆ่านกกรเรียนตายท่นก็เป็นบาปนายช่างแก้วนั้นอารามที่กลัวจะถูกอาญาของบ้านเมืองแล้วก็ปักใจฝังใจเพราะว่าไ ม, ไม่ไม่มีคนอื่นนะฮะก็คงจะเป็นปเิระนี่แหละไปขโมยแก้วมณีจะปฏิระรก็ขันชนาะหมุนจนเลือดออกมาทางปากทางจมูกเลย ทางหูทางจมูกด้วยนะฮะแล้วพอเลือดไหลออกมาเนี่ยนกกระเรียนมันก็เข้ามากินเลือดในช่างแก้วก็ลังยั่วเต็มที่แล้วก็เตะชั่วเข้าไปก็ตายพระสิระก็ถามว่าดูซิ น, นกกระเรียนนี่ตายแล้วยังในช่างแก้วบอกว่าท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนเหมือนกันนแล้วทาให้พระสิระรู้ว่านกกระเรียนตายแล้วจึงบอกว่าโยมแก้วมณีนั้นนกกระเรียนมันกลืนเข้าไป อาตมาไม่กล้าบอกเพราะกลัวโยมจะไปฆ่านกแต่เมื่อนกตายแล้วก็จะบอกในช่างแก้วก็ไปผ่าดูนะฮะปรากฏว่าเจอแก้วมณีจริงๆก็กตกจใจ ข, ขอขมาลาโทษพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเป็นการใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอะมันเป็นเรื่องวิบากกรรมแต่ว่าก็ตั้งใจเอาไว้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านจะไม่เข้าไป รับบาทในบ้านอย่างนั้นแล้วจะเที่ยบพิฆาตจารบินดาบาทเอาตามมีตามได้พัญญาคนไหนทั้งแก้วนั้นห้ามปรามสามีแล้วก็เชื่อมั่นในพระเจระว่าไม่ขโมยครับในที่สุดเมื่อชีวิตทั้งสี่เนี่ยมีการตายจากไปเนี่ยนกเรียนนั้นอาศัยความผูกพันในพัญญาคนไหนทั้งแก้ว ตายแล้วก็ไปเกิดในครันของปัญญาในช่างแก้วปัญญาในช่างแก้วนั้นมีใจเมตตาอินดูหวังดีแล้วก็รบพระถือพระตายไปแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ในช่างแก้วเบียดเบียนเอาพระสงฆ์เกือบตายโดยบาปรกรรมเหล่านั้นตายแล้วก็บังเกิดในนรกปฏิสัทธิระนั้น เพราะทุกเวทนาขาวนั้นเนี่ยบำเพ็ญเพียรจนบรรลุมรคลเป็นพระหานก็ได้นิพานไปตกลงว่าไปกันคนละทิศคนละทางพระเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบว่านกเรียนนั้นเกิดในขันธของปัญญาในช่างแก้วปัญญาในช่างแก้วนั้นบังเกิดในสุคติตัวในช่างแก้วบังเกิดในนรกเพราะบากปรกรรมที่ทำเอาไว้ แล้วก็พระติสระนั้นบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรคนเป็นรานไปนี่ก็คือเขาเรียกว่าสัพพัทธากามินีปฏิปัายานทรงรู้ว่าใครปฏิบัติอย่างไรแล้วจะไปเกิดในที่ไหนบอกให้ก่อนล่วงหน้านะลงตัวอย่างนั้นแต่ว่าอ้เราเองก็เล่าเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรง ร, รมนะได้ แต่ว่าเราจะไปพยากรณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระสัพพัญยุตยานเนี่ยคนเรามันกระบวนการของกรรมเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนะฮะแล้วคนก็จะไปบังเกิดในที่ใดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตก่อนจะดับเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะคนบางพวกนีมันลงตัว นะเช่นว่าพวกทำบาประกรรมหนักๆเอาไว้เนี่ยตายไปตกนรกหน้่แต่ถ้าบาประกรรมไม่หนักเท่าไรไม่แน่น่ะก่อนจะตายแกไปนึกถึงความดีขึ้นมาเนี่ยแกก็เมันเกิดในสุคติได้เหมือนกันบาประกรรมเหล่านั้นก็ยกยอดไปให้ผลในโอกาสต่อไปแต่พระเจ้าจะรู้ถึงข้อปฏิบนนัติของคนนั้นไปเกิดเป็นอย่างนั้นของคนนั้นไปเกิดเป็นอย่างนั้นก็ต่อไปเรียกวานานาธาตุยาน คือประยานที่รู้ความแตกต่างของธาตุคือธาตุุธาตุนพื้นเพจริตของคนบุคคลเนี่ยธาตุอ่อนธาตุแข็งธาตุเป็นยังไงมีโทสะธาตุมีปัญญาธาตุมีโมหะธาตุอะไรตไรเนี่ยก็ยจะรู้โดยละเอียดทาให้รูพเจ้าทรงวางธรรมะนี้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังเราสังเกตว่าแนวธรรมเทศนาที่กล่าวมาโดยลาดับนั้น ที่จริงเป็นการแสดงอริยสัจสี่แต่ว่าวิธีแสดงไม่เหมือนกันมาทำมาจากกวัตนาสูตรนั้นแสดงเต็มยศเลยแสดงอริยสัจสีทั้งหมดแต่พอมาถึงอนัตตลกนาสูตรนี่แสดงในแนวของทุกขสัจกสมุทัยสัจเป็นเบื้องต้นนะฮะทุกขสัจกสมุมทัยสัจเป็นเบื้องต้นพอมาถึงอนุบุพีกถาอริยสัจสี่ก็แสดงเรื่องมรรคสัจ แล้วก็ไปสรุปข้าวที่อริยสัจครบทั้งสี่ประการแสดงแก่ท่านปุราในฉ ด, ดินนั่นเราจะเห็นว่าแสดงแกทุกษัตริย์กับสมุทัยสัจแล้วก็ช่วงหลังก็แสดงในนิโรธัสสกับมรรคสัจปริยายปัญธรรมะจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าทรงยักย้ายวิธีการในการแสดงคือธรรมะทั้งหมดเป็นอริยสัจ จะแสดงถ้ากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ตามก็อยู่ในอริยสัจนั่นแหละแต่อยู่ในข้อไหนละนั่นเองเพราะว่าในโลกทั้งปวงเนี่ยสากลนาจากกว่าทั้งปวงหรือสิ่งทั้งปวงแต่เราสรุปจริงๆมันก็เป็นอริยสัจไม่ได้มีอะไรอื่นนอกจากอริยสัจแต่ว่าข้อสําคัญว่าเป็นอริยสัจข้อไหน วนปริยายตรงนี้มันขึ้นอยู่กับธาตุของผู้ฟังธาตุมันแตกต่างกันพูดพูดเหมือนกันก็ไม่ได้หรอกรอกจากว่าธาตุก็คล้ายคลึงกันทาให้การแสดงธรรมะของพระเจ้าประสบความสำเร็จจนน่าทึ่งนัาชรรนจนนะเป็นเรียกว่าเป็นปาฏิหารเป็นนัชจันเป็นอภินิหารไปเลยท่างฝั่งทั้งหลาย ใต้ร่มพระโธิานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุ์ในธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี